บททีแปดสิบห้ายน่าพย์ใหญดูคำถามอดีตการหนึ่งเรสน่ะลูบุตกาลมบกกัีคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วเมริยันตตาการุ คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วเมริยันตะปนิเจกัลิาคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วเมริยันต์ตะไรกลิกคุณนอนหลับสบายไหมเมริยันต์เลาปารุคุณนาคุณสอบผ่านได้อย่างไรมรุริกยลาป้าไซย คุณหาทางพบได้อย่างไรมีรุดโอบายลักษณ์คนนารุคุณพูดกับใครมามิรุยบริตโาทลารุคุณนัดกับใครมามิรุยบริตโตกคุณฉลองงานวันเกิดกับใครมามกดรา คุณไปอยู่ที่ไหนมามีเรื่อกขัดวุ่นนารุคุณเคยอยู่ที่ไหนมามีเรื่อกขัดวุ่นเดวารุคุณเคยทำงานที่ไหนมามีเรื่อกขัดปานิเชสเซวารุคุณแนะนำอะไรไปแล้วมีรื่อยเี่ยสูจิสตารุ คุณทานอะไรมามีรีเยม่ทิด น, นารู้คุณได้พบอะไรมามีรีเยไม่อันบวินชาโรคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนมีรียันตะเวงังกาบันดินนาดิป่ารู้คุณใช้เวลาบินนานเท่าไรมีรียันต์ตะเซไปอกระไกลิกาโร คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่มิริแยนตอไฟเกอร์ ก, ล ก, ล ก, ลกาลิการุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด